ถ้โพธาภาสัญญาล่ะโพธาภาสัญญาอากาศแบบนี้สิจึงเรียกว่าอากาศดีใช่ไหมถ้าเป็นแบบไอคำว่าอากาศนี่หมายถึงเอาสัมผัสของตัวเองกับรับนะจริงๆตัวอากาศมันไม่ได้รับกระทบอะไรกับใครหรอกแต่ว่าก็ใช้ตัวแทนว่าอู้ที่นี่อากาศดีบางทีเนี่ยเครื่องวัดคือทวานจมูกกับทวานกายนะอากาศดีแปลว่ามันเย็นถูกใจเป็นต้นเนี่ยบางคนบอกเอออบอุ่นถูกพ อ, พอดีกัชอบโพธาภา那นั่นเองโพธาภาสัญญานี้ก็ แล้วก็แล้วแต่คนชอบอะนะนี่บางคนก็อย่างอุณหภูมิบางคนก็ชอบอุณหภูมิไม่เท่ากันบางคนก็ชอบไปทางหนาค่อนข้างหนาวบางคนก็ชอบไปข้างค่อนข้างร้อนผมมาก็ชอบแบบพอดีพอดีอะนะเอาเอาพอดีพอดีเอาแต่พอหมาก็พออย่างเงี้ยแล้วทำมสัญญาหายไปไหนเนี่ยอ๋อไม่ได้พิมพนะ์แล้วใช่เขียนไมาให้เพิ่มหน่อยแล้วทำมสัญญาหายทำรรมสัญญาก็คือพวกสัญญาในเรื่องบัญญัติใน สัญญาที่มีในอารมณ์ทั้งหลายแหล่นี่นะในอารมณ์ที่เหลือจากสัญญาห้าที่กล่าวไปสัญญานี้พระพุทธเจ้าอุปมาเหมือนอะไรนะเหมือนทยับแดกกับอาหารกับอาหารสแสลงใช่ไหมไม่ไ่อสมุทฐานของไข่นะต้นเหตุของความป่วยไข้สัญญาเหล่านี้เนี่นะทุกทวารที่รับมาเนี่ย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 พยับแดดที่อยู่บนถนนเป็นไงขับรถทางไกลเห็นพยับแดดข้างหน้าบนถนนเนี่ยนะอู้หูฝนตกน้ําท่วมเต็มถนนไปหมดเลยจะไปได้หรือเนี่ยนะแต่ไอ้ประสบการณ์ที่เคยผ่านมาบอกอู้พยับแดดรอก น, นะดูเหมือนมีน้ำเจิ่งนองเต็มถนนทั้งๆ้ง ท, ที่เอารองเท้าถอดรองเท้าเดินดูเถอะจะรู้ว่าตรงไหนพยับแดดดูเหมือนน้าตรงนั้นแหละเดินสักยี่สิบเก้าเนี่ยนะได้เนื้อสองชิ้นละ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 ตัวนั้นเนี่ยปวดมากเน่ยนะก็มีบุญมากที่โยมไม่เคยทำบาปมาจึงไม่เคยสัมผัสแบบนั้นอ น, นุโมทิตาด้วยที่ทำบุญมาดีเ็ามาเคยแล้ว โ, โหวางเหยียบรองเท้าหรือเหยียบไม่ได้เลยแตะพื้นไม่ได้เลยปวดหมดเลยเน่เพราะเนื้อเนื้อกับหนังมันหลุดจากกันนะเนี่นะก็เป็นแผลสดข้างในนั้นอีกทีสัมผัสเมื่อไหร่ก็ปวดปวดปวดเป็นอาทิตย์จึงจะหาย ต่อไปเจตนาเจตนาหกนะรูปประสานเจตนาสัททสันเจตนาคันทสันเจตนารสสันเจตนาโพตภาสันเจตนาและธรรมสันเจตนาเจตนาตัวนี้ถ้าอยู่ในใจเฉยๆก็เป็นมันมันอ่ามโนกรรมล่วงมาทางวาจาก็เป็นวจีกรรมล่วงมาทางกายก็เป็นกายกรรมรูปประสานเจตนาก็คือเจตนาในสีสีเนี่ยเป็นสะท้อนให้เกิดเจตนาสาม ทั้งกายสังเจตนาวิาจีสังเจตนาและมโนสังเจตนาสีทุกสีเป็นที่ตั้งแห่งกรรมสามสียงทุกเสียงเป็นที่ตั้งแห่งกรรมสามกลิ่นทุกกลิ่นรสทุกรสโพธะทุกโพธะะธรรมารมณ์ทุกธรรมารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมเพราะกรรมคือตัวอะไร ตัวเจตนาเจตนาคือตัวกรรมเจตนาหังทิศเวกัมมังวะธามีดูความที่สุดทั้งหลายเรากล่าวเจตนาว่าเป็นตัวกรรมถ้าเจตจงใจทางทางใจเฉยๆก็เป็นมโนสันเจตนาหรือมโนกรรมทีนี้อารมณ์6คูณเจตนากายสันเจตนาวิจีสันเจตนามโนสันเจตนาก็เป็นเจตนาสิบปดอารมณ์ไหนในโลกไม่เป็นที่กรรมที่ทําให้ล่วงกรรมบดมีไหม ไม่มีมันทุกอารมณ์จึงเป็นอารมณ์ของพบใหม่ได้หมดเลยนะทุกอารมณ์ในโลกนี้นะเป็นอารมณ์ของพบใหม่ได้ทั้งหมดนั้นถ้ามีสีเป็นอารมณ์คนเกิดที่ไหนถ้ามีสีเป็นอารมณ์คนเกิดพวกที่ไหนเกิดในกามะภูมิสิบเอ็ดคลุมไว้ก่อนเลยเออใช่ไหมล่ะมีสีเป็นอารมณ์ก็เกิดในกามะภูมิสิบเอ็ดทำไมอ่ะก็เพราะว่า ถ้ายังมีสีเป็นอารมณ์อยู่ก็ถือว่าเกิดในกามภูมิสีเสียงเกลีน่นรถโพติภัณฑ์นะประกาศถึงว่าใครที่มีสิ่งเหล่านี้เป็นอารมณ์ถือว่าปฏิสนธิในภูมิสิบเอ็ดนะนรกเปรตอสุรกายเดรฉ า, านมนุษย์เทวดาอีกหกชั้นอา่าทำไมไม่ยืนยันไปเลยล่ะก็ต้องดูว่ามีสีอะไรเป็นอารมณ์อีกครั้งหนึ่งใช่ถ้ามีสีทองเป็นอารมณ์เกิดที่ไหนดีนะถ้าเคยไปรักทองจะว่าไง นะแต่ถ้าไปทาสีทองเอาไว้ทาสีทองบูชาพระเจดีก็ไปดีใช่ไหมก็แล้วแต่ว่ามันสีสีเดียวกันเนี่ยมันก็แต่และแต่ใครอีกครั้งหนึ่งสะท้อนว่าคนนั้นไปทําบุญกับสีนั้นมาหรือว่าไปทุจริตกรรมกับสีเหล่านั้นมาก็สุดแท้แต่ว่าเจตนาที่ไปรับสีเหล่านั้นด้วยอะไรเนี่ยถ้ามีอะไรนะสีพ้าม่านเป็นอารมณ์เกิดที่ไหนดีก็แล้วแต่ใครอีกนั่นแหละ แล้วแต่ใครอีกครั้งหนึ่งสรุปว่ามีดอกกุหลาบเป็นอารมณ์เกิดที่ไหนดีกอแล้วแต่ว่าดอกไหนอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมเขาบอกว่าดอกมีดอกกุหลาบเป็นอารมณ์เกิดที่ไหนต้องถามว่าดอกไหนอีกครั้งหนึ่งดอกนั้นเอาไปทําอะไรใช่ไหมเพราะว่าสีทุกสีเป็นอารมณ์ของพบใหม่เสียงทุกเสียงก็เป็นอารมณ์ของพบใหม่แต่ว่าของใครอีกเรื่องหนึ่ง ira, นะสรุปว่าสีเสียงเป็ น, น, น, นสรสโพธิ์ธรรมรมณ์ในฐานะเป็นอารามณปัจจัยของเจเตนา เจตนาที่มีรูปเป็นอารมณปร์ปัจจัยเรียกว่ารูปประสันเจตนานะสัทธาสัรเจตนาเป็นต้นก็ในยะเดียวกันอันนี้เรียกชื่อตามอะไรนะรูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นเนี่ยเจตนาเรียกว่ารู ป, ปรสันเจตนาชื่อตามอะไรตามอารมณ์อันนี้เรียกชื่อตามพ่อใช่ไหมถ้าชื่อตามแม่ก็พวกอะไรวิญญาณภาษะเวทนานี่ชื่อตามแม่สัญญาเจตนาตันหาวิโตวิจารชื่อตาม พอ่อพ่อลูกเยอะเนาะถ้าตันหาเลยรูปปตัตนหาสัทตัตหาคันธัตันหาราสตาตันหาโพธภาตันหาแล้วก็ธรรมะตันหาตันหานั้นลักษณะหนึ่งคือความเพลิดเพลินความเพลิดเพลินความเพลิดเพลินในรูปเรียกว่ารูปปตัตนหาใช่ไหมเ <c oughs> พลินนี้เพลินยังไงก็คือ ไม่ยอมไม่ยอมจะละสายตาจากสีเหล่านั้นจากรูปเหล่านั้นในลักษณะนั้นเป็นตันหาแต่ถ้าโทสะนะมันไม่ค่อยดูนานหรอกแต่ถ้าตันหาเนี่ยดูแลดูอีกดูแลดูอีกวันรูปประตันหาก็คือความเพลดิดเพลินในสีสัทธะตันหาก็คือเพลิดเพลินในเสียงคันถ้าตันหาก็เพลดิดเพลนเินในเปลนรสะตันหาก็เพลดิดเพลินใน รถโพธิภพตัณหาก็เพลิดเพลินในโพธิภพธรรมะตัณหาก็เพลิดเพลินในเรื่องราวอารมณ์ทั้งหลายแหละมีมื้อไหนที่ไม่อร่อยบ้างไหมอันนับอกบางคนบอกอุ๊ยอาหารบอกว่าตั้งแต่เกิดมาอาหารเนี่ยโดยมากมื้ออร่อยหรือไม่อร่อยมากกันยไงมก็บอกว่าถ้าแบบทุกมื้ออร่อยเกือบอร่อยเกือบทุกมื้อเลยแสดงว่ามากไปด้วยตัณหาใช่ไหมอุ๊ยอาหารอะไรเนี่ยน ถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่าตันหาไม่ค่อยมากโทสะมากกว่านี่ไงไปเรียกว่าไปบางแห่งใช่ไหมอาหารอร่อยทุกมือ้อแสดงว่าตันหาเกิดตลอดเลยนะไม่มีอร่อยแม้แต่มื้อเดียวถ้าอย่างนี้โดยมากก็โทสะอ้าทำไมกินได้ก็กินการตายไ ป, ปงั้นแหละเอางีนั้นตันหาก็คือ ai, ok. เพลิดเพลินในอารมณ์หกทาไปเล่นไปนะว่าคิกว่าเพลินและมีความสุขใช่ไหม เพลินในรูปมากก็มีความสุขมากใครดูอะไรเพลินฟังเพลินเป็นต้นเนี่ยนะเหมือนมีความสุขแต่ที่ไหนได้ตัวนั้นแหละเชื่อมเจตนาให้มีผลเชื่อมกรรมให้มีผลอันเพลิดเพลินในสีเชื่อมรูปประสานเจตนาให้มีวิบากต่อไปเพลิดเพลินในเสียงทําให้สัทธาสรรเจตนามีวิบากต่อไปเพลิดเพลินในกลิ่นทําให้คันท่สันเจตนา มีวิบากต่อไปเพืิดเพลินในรสทําให้รัศสารเจตนามีผลต่อไปเพื่อเพลินในโพธิภะทําให้โพธิภะสันเจตนามีผลเพืิดเพลินในธรรมอารมณ์ทําให้ธรรมสันเจตนานั้นมีผลนั้นเพืิดเพลินในอารมณหกทําให้กรรมจึงให้ผลตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีพบพบเป็นปัจจัยจึงมีชาตินั้นวัฏตะทั้งหลายก็งอกงามได้อย่างนี้แล เพราะฉะนั้นเอาวัตะมาต่อวัตะต่อไปเรื่อยไม่มีจบนี่ทวิตตกแหละวิตตกนี่มันทําให้อะไรนะสีจะอยู่ที่ไหนวิตตกก็ไม่มีกําแพงขวางกัน้นคิดถึงได้หมดเลยใช่ไหมกําแพงกั้นไม่ได้น้ําทะเลเป็นต้นก็กั้นไม่ได้เพราะรูปปวิตตกสัตว์ทวิตตกกนเอามานึกได้หมดเลยเอามาตรึกได้หมดเลยการตรึกถึงอารมณ์เนี่ยเท่าโดยมากเนี่ยเพราะอะไรนะเพราะ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 พโธทพวิจารณคิดถึงทำอรมณ์ทั้งหลายก็ทําให้ใจเนี่ยนึกไปเรื่อยก็ด้วยอํานาจของวิจารณวิตกกับวิจารณ์เหล่านี้เนี่ยไม่ได้แปลว่าอากุศลเสมอไปนะเพราะวิตกวิจารณ์บางอย่างก็เป็นอกุศลบางอย่างก็เป็นกุศลตรงนี้ก็เป็นกลางๆงไปถ้ารูปปวิตกไปในทางที่ไม่ดีก็เป็นอกุศลไปในทางที่ดีก็เป็นกุศลเพราะว่าองค์ฌานก็ประกอบไปด้วย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 เพราะเป็นที่ตั้งแห่งความเศร้ามองด้วยทุจิริศบางเป็นที่ตั้งแห่งความเศร้ามองด้วยตันหาบ้างเศร้ามองด้วยทิฏฐิบ้างเนี่ยนะไปมองใจในสิ่งเหล่านี้จนได้เนี่ยนะเพราะสาัตว์ทั้งหลายเศร้าหมองก็เพราะอะไรเศร้ามองเพราจิตเศร้าหมองสัตว์ทั้งหลายผาย่องใสหรือสะอาดก็เพราะอะไรสะอาดจิตสะอาดเพราะศาสนานี้เถือความบริสุทธิ์แห่งจิตเป็นอย่างยิ่งผู้ที่ไม่พิจารณาสิ่งเหล่านี้ ปล่อยให้สิ่งเหล่านี้ครอบงำใจจะเศร้าหมองแต่ถ้าพิจารณาไคร่ครวนมากๆใจก็ผ่องแผ้วเ ม, เมื่อใจผ่องแผ้วก็หลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่น เ, นเดี๋ยวก็คงพักสักครู่ก่อนนะเจนพาน